ร่างกายมันไม่ค่อยสบายออกจากมาเมืองนอกมาเป็นไม่ไจําจรรษาอย่านี้นะไปพักโน้นรักาโรทกวันิ น, น้อยเนะี่ยที่โยงไฟเลนนะ่อ น, นั่นอยู่ออกภษาแล้วเาวกไปโน้นปาาพูดวายนะึงริมม่นมูลเนะ่ยโยงก็ไปไม่ได้แล้วเนะี่รถใหญ่ก็ไปไม่ได้มันมี ก, กันอยู่ข้างนอกอยตั้งนานเพิ่งกลับมา ก็มาประชุมเนี่ยประชุมมาประชุมท่าประธานเนี่ยประทับยืนอืมประชุมมันเสร็จแล้วก็ประชุมอีกครั้งในกระการจ่ายเงินไปอืมกำหนดราคามันแถลงสามแต่ห้าหรืบว่าอะไรก็ทำกันมานานแบบเสร็จจะาำท่าประธานเนี่ยมันเสียใจ จะพยายามทําซุ้มตัวนี้เสร็จจะไปทําไปได้เสร็จได้ดจะตัตดตดุูนิมิตจะมังโยดูนิมิตยังไม่นดีตัดนั่นเอาไว้นั่นก่อนทํารอบๆยังมีเศษยูมันเศษค่อยๆทำปีนี้ขึ้นขึ้นมาด้วยโยมเนขึ้นมาภาคีสาม ข, ขึ้นขึ้นมา ฮเออแม่พักการละการงานมาเนาให้ความไปจริงมารู้นี่มันดีนะมันไม่ร้อนแม้จะข้างคืนก็ไปตรงกลางเย็นสบายยุ่งก็ไม่มีอาจจะมาเคยแนะนำพวกชาวญาติโยมในพระนครใครๆทุกคนทำใจไปในใจของเราทุกคนหรือะ่ะ ให้มาธุรงภาคอีสานปีละครั้งอย่างน้อยพระสันยังไปธุรงนี่เราก็ไปธุรงกันดินีอย่างมาให้ทุรงกันด้วย <c oughs> มันมันมันประสบกับไอ้ไ อ, อ้รูปเสียงปีนมันมากแล้วฮนะคุ้มปีหนึ่งเด้กก็ออกมาสักทีไม่อยู่ในปางยังไง่ะมองดูในปางยังยม่เนะนี่ยมันมีความรู้สึกนะ มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันอยู่ในป่าเกิดความรู้สึกนึกคิดเกิ ด, กดความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเยือกเย็ น, อ ย, น, อ, ยนอย่างนี้มันมนันรู้จักมีถ้าเราไปหมักอยู่แในกรุงเทพเงียเดียวเท่านั้นก็โอ้โก็เท่านั้นแล้วนา น, นานมาทีมั น, นรู้มันสบายใจ พี่มานอนค้างเทีคืนหนึ่งก็คือมานอนค้างในป่ากลางคืนในทาวัดกันไหนนั่งกันมาผานกั น, นในดูเจ้าของอยู่กรุงเทพมันไม่เคยจะได้ดูเจ้าของนะมะัม้งยิ่งจะคุบปตะเงินอยู่นั่นแล้ว <c oughs> คุบมากระดูอ <c oughs> ไปอีกก็ตะคุบมาอีกดูอย่างนั้นแหละมุ่น ไม่เคยไม่เคยได้แต่คุปต์แของอหงนรถงสายทางรถมีแต่พึ่บแต่พือเป็นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยควรหาเวลาออกมาปีละครั้งก็ยังดีมาส่วนใหญ่อย่างนี้บางโยมผู้ชายผู้หญิงบางคนก็บันรั้นกลับมากลับมาใหม่ ท้าไม่กลับมาใหม่ทั้งว่ะมามากคนไม่ถนัดนะเป็นยังงั้นได้เลยอืมอนี้ตะโกนกันขึ้นรถเย่างตะโกนกันลงรถอะไรวุ่นเนี่ยเน่ยไปหยุดการตลาดดิมีใครจะไปซื้ออาหารคนนั้นไปนั้นคนนี้ไปนี่เลยวุ้นแกโดนหมดเดียวย่างมเดียัก่างมดเดียวย่างคนโน้นเอาโน้นคนนี้เอานี่ บางทีได้เกิดไม่สบายใจโกรธบางคนโกรธไม่ทันเพื่อนก็ได้โกรธเศร้าหมองไม่สบายใจยังนั่นก็มีมันมากคนที่เขาอวันลั้งมาใหม่เช่ไว้มารถไฟปุดผุด ผ, ดผดุมาลงนี่มาค้างสักสามคืนหรือเจ็ดคืนเขาว่ามันแน่ดีงสบายมันนั่งสมาธิทำสมาธิ โดยมากถ้าหากว่าคนเราถ้าตามรู้จิตใจของเราเหมือนเราตามหาแนวอื่น น, นี่มี่มันมันไปไกลแล้วป่านนีมม้มันไปไกลแล้วจิตใจของเราเนี่ยทุกวันบางทีเกิดมาไม่เคยมองดูจิตใจของเรานะักจิตใจเราโหดร้ายก็ไม่รู้จักจิตใจเรามันทุกข์ก็เลยไม่รู้จัก ไม่างนเสริมเติมเพิ่มต่อมันอยู่เรื่อยๆไม่เคยดูเจ้าของสักทีพระพุทธองค์อจสอนว่วันคืนเนี่ยล่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คำพูดอันนี้มันมีอยู่ในตัวหนังสืออ่านเนบุแล้วไปอ่านเนบแล้วไปอ่านจนตายมันก็ไม่รู้เรื่อง มันมาวันคืนมันรวงไปรวงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่มันก็รู้เท่านี้แหละอืมมันก็รู้เท่านี้ไม่ค้นคิดดงไปว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่คือให้เรามีสติความระดึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทําอะไรอยู่อย่างนี้เราโกหกเราโกหกตัวเองหรือเปล่า โกหกคนอื่นหรือเปล่านะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักไอคนเนี้มันไม่โกหกคนอื่นมันโกโกหกเจ้าของอ่ะไม่รู้เรื่องเรื่องโกหกคนอื่นพอรู้ชตินิดนึงเรื่องโกหกเจ้าของเนีไม่รู้ไม่รู้เลยเรื่องโกหกเจ้าของเนี้ยทำให้ใจสบายเขานึ่องมาทําให้ใจสบายโกหกเจ้าของอนี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 เราทำเองทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าที่สอนมาให้นินหนักกว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนลงไปดมไปไม่รู้จักถ้ารู้จักว่าเราทำอะไรอยู่มันก็มีติพึ่งอย่างวันนี้เราเราไปทำอย่างนั้นที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เพื่อนคนอื่นไม่ไอ้คุณทำนี่ไม่ดี อย่างนี้นโกรธเหี้เขาซะแล้วนี่คือคนทําดีอยู่แต่ว่าคิดไม่ดีนะเราทําดีอยู่แล้วก็คิดไม่ดีคนอื่นมาไม่ดีกว็ด้อยไม่ดีไปกับเขาไปเราทําดีอยู่คนอื่นว่าไม่ดีเราะคนดีที่เรายืนยันที่เราทําดีอยู่เนี่ยออเราบริโภคข้าวันนี้มันอิ่มแล้วไอ้คนอื่นว่าไอ้เธอยังไม่อิม่ม จะทํางานเราจะเชื่อใครไหมแล้วก็เชื่อเราจะไปเชื่อกับเขาไงเราอิ่มแล้วเราเชื่อตัวเราอย่างเนี้ยมันก็พึ่งตัวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักตัวของเราเราก็พึ่งตัวเราเหมือนก็รีต่อไปถึงว่าอั ต, ตโนโจทะยั ต, ตนางจงเตือนตนด้วยตนเองแน่ะ ใครทุกคนมานี่ถ้าหากว่าเข้าใจคํานี้ก็ไม่ปิดมัจะทําอะไรเตือนเรื่อยๆมันจะทํากิจกับเตือนแล้วมันจะทําอะไรกับเตือนเจ้าของอยู่ด้วยด้ยอันนี้ไม่ค่อยจะเตือนหรนะมั่ง น, นี่ไอคนอื่นเตือนเราก็โปรธใช่ไหมไม่ค่อยเชือ่อเนี่ยถ้าหากว่าเรามันอยู่ก็ตัวเราไอคนอื่นอย่างนี้ก็อย่างอัตมาเนี่ยอัตมาเตือนนี่กี่เรือนกีปีถึงมหาอัตมาเนี่ยอัตมาจะได้เตือนนี่นะ ถ้าเราไม่มีอะไรที่มาเตือนตัวเราเองเนี่ยโอ้มันไม่มีที่พึ่งหละเราจะต้องเตือนตัวเราดิเราเองเพราะไอ้ทําชั่วเราก็ทําเองทําดีเราต้องทำเองอะไรเะไรทาเองเท่านั้นเนี่ย <c oughs> ตัวเองตัวเอง <c oughs> อัตโนะโยทยัตนางจงเตือนตนโดยตนเองเรานั่งเราก็ไปด้วยกันกับเรา เรานอนเราปรไปเดีวยวกันกับเราเราเดินเราปรไปเดียกันกับเราไปเ้วยกันทั้งนั้นเลยอ่าโดยไปทั้งนั้นอย่างนั้นจะหากว่าเราถ้ารู้จักตัวของเราแล้วนะมันไม่พลาดมันมีที่พึ่งอย่างแน่นอน อะไรเรายืนเราเดินเนั่งเนอนเรารู้จักเราตัวลีบุตรทุกอย่างถ้าคนไม่เชื่อเจ้าของไม่เตือนเจ้าของเนือเป็นทุกข์บางทีอันนี้เราทำอยู่ที่ถูกต้องคนอื่นว่าไม่ถูกต้องเขามาว่าเราไม่สบายใจเสียใจเพราะว่าพึ่งตัวเจ้าของไม่ได้ ถ้าเราพึ่งตัวจะของได้เราทํามานี่อยู่ดีอยู่ใครว่าไม่ดีก็ช่างใครเนีเขาหนนผิดเราจะผิดทําไมเนี่ยเรื่องยืนยันอยู่อย่างนี้ยอืมอ่อกันเงี่ให้เราเข้าใจอย่างนี้อืม <c oughs> เราเข้าใจดีอย่างนี้เราไม่ไม่เคลื่อนจากที่มันหนอกพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อตัวเราเตือนตัวเราทุกเวลาถ้ารู้จักตัวเราน่ยเมื่อก็รู้จักตเตือนเรา รู้จักตนอัตโนโจทย์จะดการจุลเกียนตนด้วยตนเองต้นนั่นมันคืออะไรอืมตนมันคืออะไรอืนีใครเข้าใจว่าตนเนี่ยนี่หน่งตนของตนมันเป็นตนมันก็พึ่งต้นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตนไม่ใช่ว่าเราเห็นแค่เห็นท้าเห็นอาวัยวะนี่เทียว่าเราเห็นต้นอืม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 เนื่องว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นตนอืมใครจะมากรรมกายไม่ได้ดูถูกไม่ได้มินมาไม่ได้ฉะันจะเสริมอย่างนี้ตนทั้งนั้ น, นเนี่ยนี่เรียกว่าเราเห็นตนเห็นตนเนียดนี้ว่าเห็นตนโดยที่ว่าตาเนื้อไม่ใช่ตาในตาในไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อนี่เชื่อมันไหม มันเคยโกหกไหอืมอ่ ม, อมันโกหกตาเนื้อมันถึงเป็นทุกข์อยู่ไม่หยุดทีนึงเนาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เห็นความจริงโดยปัญญาคือตาใจไอ้คนที่เห็นตนคือตานายคือเห็นตนโดยที่ว่ามิใช่ตนแน่มันออกไปโน่นอยูแหล้วอ ม, มันไม่อยู่เนี่ยเห็นตนว่ามิใช่ตนอ่ามิใช่ตน อืมถ้าเห็นต้นมันก็คอยตามทําตนมันโตขึ้นโตขึ้นทําะไรก็เพื่อตนเพื่อตนก็เป็นคนเห็นแก่ตนหมดอืมเนี่ยถ้าเห็นคนเห็นแก่ตนก็เอาเปรียบคนอื่นเขาเรื่อยไปเห็นไหมอืมหยิบส่วนแบ่งไม่ยอมเอาส่วนน้อยกว่าเขาแลเอาให้มันมากกว่าเขาดีเอาส่วนน้อยกว่าเขารู้วยเสมอเขานี่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่คนเห็นต้นน่ะ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 ตักเตือนตนเนี่ยไอ้ตนนั่นนะ่ะจริงๆรงนะ่ะมันเป็นอัฏฐาด้วยตนจริงจนระิงในไม่ใช่อย่างนั้นกรองไปีกทีหนึ่งเจ้กรองนา้นาน้ำนี่มันขุนนี่กรองดช่ <c oughs> เห็นน้ำที่ใสออกมาจากนา้าขุนะเป็นน้ำใสกรองตนนะ่ะออกไปมันเป็นอนัตตาออกจากอัตฐา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 พระพุทธเจ้าแต่ไมอันอนาตตาไม่ใช่ตนไม่เอาตนจะไปเอาอะไรอันนาตตาเด็กก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรกันเราต้องรู้จักสมมติตนอันตาอันนาตามันซ้อนกันอยู่โยมเคยไปตลาดไหมเคยไปเห็นไปซื้อมะพร้าวมาไหมไปซื้อกล้วยมาไหมเนี่ย นี่อย่างนี้ไปตลาดไปซื้อกล้วยมาซึ้อมาพร้ามาทางใบดูเหมือนถือมาเลยไป เ, เปลือกมันก็มีกะลามันก็มีมันติดมานั้นแหละซื้อมาจากตลาด เ, เดินตามถนนมามีคนอื่นถามมาไอ้คุนถืออะไรมันโอ้ยฉันไปตลาดไปซื้อมาพร้ามาแก่นะอะทําไมเอาอย่างนั้นละ เปลือกมันแกก็จะแกงเน้อน้ำเปล่ากระรามันคุณก็จะแกงเนื้อเปล่าเอาซือมาทําไมซื้อมาทําไมไอคนที่ไปซื้อมาพร้าวานะ่ะก็ไปซื้อมาพร้าวมาเพื่อให้มันทําประโยชน์เปือกมันนั่นเขารู้ได้ ว, ว่ามันกินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อน กระ ل ันเขาก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลามันจะทิ้งก็ต้องถือมาก่อนนี่คือตัวสมมติจ่องสมมุติว่านายคอนายขนายคอนายงอก่อนนี่เป็ตัวสมมุติเราไปซื้อมะพร้าวมายาไปหลงเปลือกมะพร้าวสิยาไปหลงกระลามะพร้าวสิที่เม่อเขาต่อ ว, ว่าไอ้อคุณนี่มันโงดูด ไปซื้อมะพร้าวมาทันเปลือกน่งคุณกินเปลือกมะเนื้อหน่งเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณจะต้องกินเปลือกมะพร้าวนี่แน่ถึงเอามาอย่างงั้นคุณจะเอามาเ่ยนี่กลามันกลามันมีไม่มีคุณจะกินกลามไหมเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณก็ต้องกินกลามันแน่อย่างนั้นไม่เอามาหรอกไอ้นคนที่ถือมะาพร้าวไวจะเป็นไงโกรธไหมมันจะโกรธไหม นี่นี่สมมติเหมือนกันมีมุดมันติดกันอยู่อย่างนี้ถึงเวลานี้เราต้องนี้อยากกันสะกนเหมืนนายกนายขอนายคอนี่เพูดให้มันรู้เรื่องกันก่อนนะ <c oughs> นี่พูดถึงส่วนผสมมันเนี่ยกเหมือนกันไม่มีแยกกันก็เราเกิดมานี้ก็ไม่มีชื่อแต่วันเกิดใช่ไหมมาตั้งชื่อกันใหม่ๆทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยเออ ะเนี่ยอ้กเกิดมามาโดดโดดไม่มีชื่อหรอกอืมเนี่ยแต่มาตั้งชื่อกันใหม่ทําไมมันจะมาเข้ากลุ่มใหญ่มันมันจะหลงกันจอมตั้งชื่อมันแบบนายกอมั่งนายขอมั่งนะอันนี้มันยังไม่พ อ, อภาษานี่ยังไม่พอยังไปปนกันอีกนะ่ะอืมตั้งนามสะกูลเข้ามาอีกด้วยขนาดนั้นมันยังไปซ้ํากันอยู่นะี่ยนะ มันจะมวภาษาที่จะต้องพูดในโลกนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอัอนนี้มันปะพ้นกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปะจะนั้งเราซึ่งเป็นพุทธชนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยฟังฟังพระธันเทศไม่ค่อยเข้าใจในชาวกรุมงก็ดีชาวชนบทก็ดี ไปฟังเทศกันเป็นกลุม่มไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่าดูที่ไอ้แท่กินกนะ็ไปงานศพนะไปงานศพกันโอ้ยแต่งตัวอลมสวยงามนะแต่งตัวดีๆเท่า น, นั้นแหละไปฟังอะไรดีๆรดนตรีระเทศนตรง น, นั้นนยไปแต่งดีๆเท่า น, นัน้ไม่มีใครนึกถึงความตายหรอ็อไปในงานศพนะ เมิเตเฮฮาเฮฮาเฮฮาเนี่ยฮะท่านเดียร์อนิจจาบตสังคาลาให้สังขารไปเถอะเราไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็สะดวกสนั้นอย่างเดิมของเราเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นสภาพที่ท่านตัดไว้ว่ามันเป็นอย่างไรถึงบางคราวที่เรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาพี่น้องเรามันเสียไป ทนร้องไห้ไม่ได้เนอะนะไอ้ใครไปร้องไห้อยากจะมาเห็นไอ้คนนั้นไกลจากพระธรรมเหลือเกินท่านก็ไปสอนอยู่ทุกวันทุกวั น, วนงานสวตรงนอยกัออกการดบอกกันไปไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูเนาะเนอะเนาไอ้ความโศกที่โยกแปรผันอย่าเลยโยมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะ่นะไม่ได้ยินนะ เป็นธรมรมดาจ้าแม่ฉันคิดเดือจ้ไแม่ฉันร้องไห้เรือถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีใครไม่ทำการร้องไห้ก็เดือยคนนค้นใจดำเนี่ยพูดไปเงนินเถอะไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าสันตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายคุณศาอัตมาเคยเล่า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 อันใจสั้นใจยาวมาฮัจมากราบหึวงพ่อโอ้ยผมไม่มีที่พึ่งแล้วเห็นน้วงพ่อเป็นที่พึ่งของผมเพราะจะทําอะไรกับผมได้ทําไมแม้ผมเป็นเรื่องใหญ่เลเพินเรื่องใหญ่อะไรอะคนได้หลายในวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กลัวมันใหญ่ไปมันมีไหมนี่เห็นคนต่างหากเห็นคนแต่มันนี้ที่ย้มเรื่องอะไรมันใหญ่นักใหญ่หน้อยทำไมอ๋อ เมียผมตายอุ้ยอันตรมาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ไว้เรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกผมก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละอันตรมาตกใจเลยนึกว่ามันเรื่องใหญ่นี่นี่ว่าเมียตายนึกว่าเรื่องใหญ่เลยร้องไห้แล้วน่นี่มันเป็นอย่างงี้อันตรมาเดี๋ยถามว่านั่นใครมากับใครนะ่ะ อันนี้มีนน้อยเอ้าเท่านี้ก็พอแล้วเสียไปคนหนึ่งก็ยังพอ่อหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยนี่สองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองนี่นต่อไปอยากจะมีสามก่านไปรู้เรื่องมันเรื่องมันไม่พออย่างปีเอา่าจะไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่อ า, ายเท่านี้หมดเป็นจานนาี่ยนะกี่พรรษาแล้วนี่อืม เท่าน <de> ั้นก็พอเอยจะทะเลาะกันก็พอแล้วยิงเลือคนเดียวก็ดีละอยู่สองคนมันทะเลาะกันนี่อยู่คนเดียวใครมันดีเนี่ยมันทะเลาะกันเรื่องอาละคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่านมาเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดายอมเข้าใจไหมว่าถ้ายมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี้ยเข้าใจไหม คนทําไมจะทําอย่างนั้นลหรอถ้าไม่มีของมก็คงไม่หายก่อมันไม่มีอะไรจะหายเพราะเราไม่มีถ้ามันมีวันนี้มามันก็หายเลยหายเราเรื่องถึงสมเด็จจักรลาดมไม่เห็นแต่หลอกอาจจะมาเกิดไร้ยินเขล่าเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในในในครั้งโน้นก็เป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ ท่านไปเมืองจีนที่ไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยพวกจีนมันมนถาถวายถ้วยชาแหมมันเฮ้ยเดือดขึ้นยังเมืองไทยล้วไม่มีหรอกนี่ถ้วยชามาก่นพอเจะถ้วยชามาตกมือปุเป็นทุกข์เลยแม่จะวางไม่ทีไหนอะไรมันทุกข์ทั้งทั้ อฉันแตก่ก่อนทันนี้ยืนฉันไม่มีถ้วยชาทั้งทาสทั้งทาสเพราะเขาสอ้ถ้วยชามาเส่มือพาดโอ้ยไม่สบายแลย้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรมีจะมองเท่านั้นนะเอาใส่ย่ามใส่ถุงแทนกระเป๋าคนมาจับยาา่ามระวังถ้วยชานะมันจะแตกอะไรของแตกอย่างนี้เ น, นี่ยน่าเดวุ่นตลอดมา จนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกมานั่งเครื่องบินมาก็ทุกมาเรื่อยๆถ้วยชาไปดียวมันทุกกว่ามันจะมีมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนถ้วยชาไม่มีมันสบายอยู่ออ่พะพอมาเป็นทุกมาถึงบ้านเราเลยไปยังเก็บไปมันดีเลยนะอกําชับเด็กดนี่นะ เ, เนียนระวังนี้นะเนี่ยนนะถ้วยชาไปรนะวังดีๆนะเออเสียดายมันเป็นทุกในโยมะเป็นอย่างนั้น มันทุกข์ในคราวที่มันมีขึ้นมากั่ไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามมณีมาใช้วันหนึ่งพอดีชาไม่ดูดมือแตกเฮียข้านวด <laughs> เออหมดทุกข์ไปทันทีเนี่ยเนี่ยแต่วันนั้นตัวหมดทุกข์เลยถ้วยชามันแตกันึงจะทำไงบัตรีใดหรือถ้วยชามันดินเนี่ย ก็เลหมดทุกข์นี่มันบังเอิญไงมันหมดทุกข์โดยโยมถ้าหากว่าถุชาใบานั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรียดอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไม่หยุดแล้วอันนี้ไม่ใช่ถุยชาของในบ้านโยมคงระวั <c oughs> าางอะมันจะแตกระวังไงอ่ <c oughs> ววาฮัลโหลเออทําไงล่ะนี่ <c oughs> ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกข์ยากจะมีถ้ามีแล้วก็นึกว่ า, วามันจะสบาย คิดเอานะนี่คิดว่ามันจะสบายถ้ามันมีแล้วเมื่อมันมีมาพุกแล้วบอกเออระวังเลยทีนี้นะทุกี้ทุกกลัวมันจะหายอยู่แหละกลัวมันจะแต่ต <c oughs> ออาคิดถึงเรื่องทุกข์ที่โยมทุกคนอะไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้เรื่องมัน <c oughs> อย่างสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ย แต่เรายังไม่มีบ้านอยู่กับท็อกแหม้ไฝ่ฝันไปอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไป <c oughs> พูดตรงไหนชั้นในบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ชั้นก็จะสบายไม่เป็นห่วงมละตัวสําคันเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปีเมือ่อสร้างเสร็จแล้วนะเรารักษาบ้านนี่นี่สำคัญนี่ ตายายนี่บ่นตลอดเนยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจนเด็กๆมันมันเครืองมันนี้ไรก็มีตรงนี้มันก่ใไม่กวาดตรงนี้มันฟ่อไม่เช็ดอะไรต่ออะไรวุ่นเยเป็นเปรกันหมดทั้งบ้านเลย <c oughs> ตอนเช้าก็สอนลูกสาวลูกชายตอนเย็นก็สอนลูกชายลูกสาวลูกชายเพราะ รักษาบ้านนมันสะอาเอาทุกวันทุกวันก็ลูกสาวก็ขี้เกียจฟังลูกชายก็ขี้เกียจฟังก็มันเข้าใจว่าแม่มน่ยจู้จี้จุกจิกนี่แม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกให้มันเข้าใจไม่สอนมันจะโง่มันจะไม่เป็นคนก็ยิ่งสอนพยายามสอนตอนเช้าพยายามสอนตอนเย็นลูกก็ยิ่งเบือ่อ สอนเท่าไหร่ก็ยิงอยเดียวหนีไปจ้ะเดียวบางทีมันกบอกมันโมโหมันมันไม่พูดมันได้ดูดว่าเมี่ยจะไปที่ไหนก็ ไ, ไปสักทีแต่ควันมัริงจะตายาเยื่อไหร่ก็มีตายสักที <c oughs> มันอยากพูดตรงนั้นเลยแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันนึกุดถึงคุณพ่อคุณแม่ไปล้ยงอุปุกอยู่อย่างนี้นพูดเสียอย่างนั้นแหลอ ะ, ะอะยังว่าเราเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นไปติดความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปติดความฉลาดร้ายมันก็เลยโงน่นะ คนคนฉลาดมันโง่นะมันยิ่งโง่กว่าคนโง่นะไอ้คนโง่มันโง่มันก็ตะสีตาสาใจยังชั่วนะยังเด็กๆนักเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กหรือมันโง่เนี่ยไอ้ครูไปสอนมันก็ไม่รู้จักมันโง่เอานําตามอามหาพระให้สอนมันแรัตมาประสอนให้สอนนักเรียนครูสอนมันไม่ฟัง ไหวนักเรียนมันดือ้อมันเก้เนี้ก่อนมาสอนนักเรียนนี่ครับสอนไปสอนไปแต่ว่าเด็กเด็กนี่มันโงน่คือคนให้อภัยมันหนะัอมันเป็นเด็กนี่ไอ้อพวกครูเราเป็นไงกันเนอะ่ยนี่หันหันหน้านี้เลยไม่อยากจะพูด <c oughs> ครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งมียี่สิบคนสามสิบคนไหม แล้วมาขี่กันดีไหมหันหลังไก่เนี่ยออกไปทั้งนู้นเลยไม่กล้าพูดเนยอาตมาคนเด็กแลมันเือมันคนให้อภัยมันไหมไอ้ผู้ใหญ่นี่ครูนี่มี็นคนให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เห็นไหมมีผลจะีุดเดบิแบบไอ้อความไม่สบายใจออกไปทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ย ไม่อแต่มาด่าทั้งทั้งหมดด้วยเข้ามากรั้งแค่คนนึงว่าเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเขี้ยนเนี่ยมันเต็มที่เนเี่ยพอเขียนเด็กๆเขียนไปยังไงเขียนทั้งครูที่เต็มที่ทักงคนทีไปเลยทั้งพ่อแต้งแม่ของอย่างงี้เราแจวไอความฉลาดมันก็ดีในโลกถ้าฉลาดจะทําทอย่างนั้นถ้าเขาไปทําตามเราแล้วก็ Blue ไม่สบ า, ายท่านน่ะในตัวนรกน่ะอย่างนั้นทุกคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะอย่าฉลาดจนเกินไปอะไรอะไรทุกอย่างเราบริหารให้หมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้กูตายไปนี่มึงไม่ได้กินอะไรแล้วอย่าไปพูดโดยอายครับ อายครับเราตายไปก็เอารดเบนมาหนักสบายนะวังเลยดีนะเอาพอสมควรนะเอามันพอสมควรสอนมันไปเจออย่าไปทิ้งมันให้มันเห็นมันก็เก็บเอามันไม่เห็นมันก็ทิ้งมันไปที่ไปซีไปแสงเสียคนตาบอดฟังมันไม่เห็นจะทํายังไงมันมันบอกจะทําไงมัน บว่าวนี่นี่สีแดงมันเป็นอย่างงี้ส bitcoin, ีเหลืองมันเป็นอย่างงี้อยู่ที่ไหนคุณยายสีขาวนี่มันขาวขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวเน่ะไอปูนขาวตาบอดมันก็ไม่เห็นมันขาวอี่างงี้มันมันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นยังไงคุณยายไอปูนขาวมันก็เหมือนนีไออสีขาวธรรมดาสีขาวมันเป็นยังไง ในพูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่ไม่มีหยุดเลยจนคนตาไม่บอดจนเลยไม่รู้ไปเอาอะไรมาตอบมัน <c oughs> คนไม่รู้เรื่องอย่างล้านกตา <c oughs> พ่อไปทํามเออไปบ้านผีครับอ้าวพ่อผีเหมือนคนตายเป็นมันเป็นผีเนี่ยตาตาผีตายเป็นอะไร เป็นสางเนี่ยสางสางคนสางตายเป็นเงายเป็นคางแดงคางแดงตายแล้วเป็นอะไรอีกเป็นโกรพ่อโกรแม่ <c oughs> มาจนจนหลานเว่ยหลานมันไล่แต่เร่มต้นมันปลายอย่างนี้ อย่าไปทิ้งโครนมันรายไม่มีอย่าไปทิ้งต้นมันคืออะไรรายมันเดี่ยต้นมันคืออะไรคือวันคืนนี่ที่เราอยู่ทวนมันมีวันกับคืนวันคืนมันร่วมไปล่วงไปถ้าพูดกันพอดีก็ดีกว่าคุณเกิดมาในกี่ปีแล้วถ้าคนถามเนอะ ถ้าพูดเนีมันตรงเกินไปแต่เขาเนึ้ว่าเราเล่นตัวนะชา่ากี่ปีเน่ะอายุเท่าไรมี่เกิดมาอายุเท่าไรในวันหนึ่งก็คือหนึ่ง น, นั่นน่ะนี่พอดีพอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะ <c oughs> เล่นตัวนี่โอดีกีเนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่ือ <c oughs> พูดพอดีไม่ได้ <c oughs> ต้องพูดไปกับคน คนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นหรอกไม่รู้จักเ้าพูดตรงเกินไปอายุเท่าไรไม่รู้มันก็เคืงใจมันนะไ mm hmm. อความจรินจริงเราไม่รู้จริงๆเกิดมาน <c oughs> ใครรู้ไหมเกิดมาได้กี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดไม่จจรู้จักมันเกิดเมื่อไรล่ะนะในหลายพอรู้ภาษาแม่บอกครับ เขาเขียนไว้เขาก็อบอกบางทีพ่อแม่เรายิ่งทํา ง, งานบางทีลืมมกอได้วันทิศวันจันทร์บางทีลืมว่า ไ, ไปเกิดวันคานก็ได้เกิดในวันทิศไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้ว่าไปเกิดเดือนหน้าก็ได้คนบบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิธีพิธันกับอะไรสิ่ ง, งหลายๆแล้วนี่นเราไม่รู้จักจริงๆ ที่เรารู้จักอะตัวมาสักนิดพอภาษาเนี่ยแม่บอกแม่บอกอะไรเจ้าเกิดปัจนนั้นน่ะจําไว้ปีนั่นนะจําไว้ฝึกไปฝึกมาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโกหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆไม่ได้จะพูดให้ตามความจริงจริงๆแล้วนะ คนไม่ชอบทุกมันต่อพูดกันหลายหลายเรื่องเคยถามแต่มาน้องพ่ออายุดิกี่ปีหระไม่รู้ว่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงรู้แต่คนบอกกันน่ะไม่แน่ใจอืพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าหลวงพี่บอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้หลวงพี่บอกเดือนหน้าก็ได้แล้วไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่มันมันรู้รู้ไม่จริง เมื่อกูเหมือนกันกับคนนะรู้ว่าคนคนแต่ไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงๆนะรู้คนเดียวมันก็รู้คนบนทางโลกเหมือนกันเท่านั้นเนี่ยรู้ตัวเราเราก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันมีเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราเราจะไปทำอะไรให้ใครล่ะจะไปเบียนเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทําอะไรให้ใครล่ะ เราอยากทำย่างั้นึกตัวเราเราอยากเป็นอย่งงนึ้เนนะีถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วเราก็รู้ตัวคนทุกทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบอไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาพยาบาทส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างนี้มันก็รู้หมดตัวคนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนมันจะเบียดเบียนกันทาไม ไปทําคนนั่นก็เหมือนทําเราเองเนี่ยไปอิจฉาคนนั่นก็เหมือนอิจฉาเรานี่เนี่ยก็เรากับคนนั่นกับคนคนเดียวกันมันอันเดียวกันอย่างนี้เรามันเปลี่ยน ส, สภาพกันมาลบแต่มันเปลี่ยนได้อย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นนมันโตขนาดนี้ไหมเกิดมาเป็นเด็กเห็นไหมเมื่อถึงบัดเนี้ย เดี๋ยวนี้กับเด็กมันคนละคนหรือเปล่านรืมันคนคนเดียวกันนี่เรดูนี่กันนะเนี่ยอย่างต้นไม้อยู่หน้าหน้าบ้านเราเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ใน อ, อ, อกระป๋องนะเนี่ยมันโตโตขึ้นโตขึ้นบัดนี่มันโตถึงโน้ตหลายเมนะ็ดเนีเ่ยเนี่ยกระต้นต้นนั้นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะ่ะเนี่ย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 อืมนะนัฉะนั้นฆ่าตัวเองทําไมมันจะบาปนี่ทําไมมันบาปไหมนี่ตัวเองนี่ฆ่าบาปพระตัณฑว่าปฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะอืมอยากจะฆ่ามันทิ้งเมื่อไหรก็ได้นี่ของของเราเนี่ยาทาไมกรรมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาป เราเข้าใจใตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราเท่านั้นอันนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์ <c oughs> รูปร่างอย่างนี้มันเป็นมนุษย์มันต่างจากสัตว์มันเป็นมนุษย์มันต่างกันแต่ว่า ถ้าบ่ามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะนี่มันฆ่ามันแกงกันมันทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นอนะ่ะอ่าพามนุษย์มันเป็นสัตว์ท่านนั้นจริงมาเลี้ยกพวกเรานี่นะสอนให้พวกเราให้เป็นมนุษย์อืให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงอให้อภัยกันแต่เป็นมนุษย์ให้อภัยกัน รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักอะไหลายอย่างเหมือนกับรู้จักคนอืมอย่างโยมผู้หญิงเห็นผู้ชายจะเห็นวาเออนี่แด็กพ่อเรานะนัะ่นเข้าใจอย่างนั้นโยมผู้ชายเห็นผู้หญิงมีแม่เรานี่มันเห็นอย่างนี้มันจะทําอะไรกันอืมจะทําทอะไรกันอาจจะมาเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นพ่อบ้านครับ แค่เข้าใจผิดนึกว่ามันถูกอ่ะเด็กมันดื้อในบ้านในหลายคนมันไปหาปนหาขโมยข้ามมันเลียบเด็กมาปรชุมเฮ้ยลูกหลานอย่าไปทํางี้ทีถ้าจะทําอย่างงี้อย่ามาทําบ้านเราหนะนะไปทาไปาํานู่นไปไกลนู่นอ่ะเนี่ยยังมาทําบ้านเราอย่ามาทําไปไปทํำบ้านอื่นดีหัวยังมาทําบ้านเราหนี้ คนแก่คนนั้นนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วเนะนึกว่าสอนดีเต็มทีเนี่นะถ้าหากว่าอีกบ้านอื่นนะ่นะสอนเด็กบ้านเขานะ่ะให้ไปทำบ้านโน้นบ้านตะแก่นะั่นเนี่ยมาทำบ้านเราได้จะบ้านไงกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมีแต่พูดไปโยมไม่ไม่ไมหวนกลับมาดูของเรา คนเอาดีเตือนนะมันค่ะเห็นไหมตนมันเป็นตนจริงจริงเป็นก้อนเนี่ยเป็นตนเมืากกว่ามีความคิดอย่างนี้อืมีความคิดอย่างนี้เห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตนอย่างนี้เป็นเหตุเลยเป็นเหตุให้โลกมีบิบากเห็นเป็นตัวเป็นตนรั้นถือมั่นถือรั้นถือคันเป็นอุปาทานขึ้นเป็นเหตุให้ลบลาฆ่าฟันกันสารพัดอย่างนะไม่คลาย ถ้าเป็นเกลียวนหมุนเข้าไปทางขวาเลยหมุนตึงเข้าไปเลยไม่คลายเกลียวออกมาทางนอกไม่รบายออกทางหนา น, นั่นพระพุทธองค์ท่นานว่าอะไรไม่เป็นคุณค่าที่จะทําให้มันคลายออกมาคือการให้ทานนี่การให้ทานการให้ทานนี่ก็เรียกว่าไอ้ของของเราหามารักษามาหนะ่ะให้คนดู น, นี่มันก็แปลกนะ อืทานเห็นแก่ตัวจริ้งกิ้งแล้วก็มันก็ไม่อยากจะให้ใครนะร่ให้ทานบางอย่างตัวเห็นแก่ตัวแต่ว่าอยากได้บุญอันหนึ่ง น, นะหเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าอยากไปบุญก็เป็นเหตุนในให้ออกไอกี่ใครเป็นทานบารมีเป็นบุญไปสร้างบุญกันทําบุญกันสรพัฒย์อย่างนะบางทีจนกระทั่งว่า ไอ้ปลา <c oughs> อยู่ในแม่น้ําใหญ่ๆก็ไปจับมันมาหาพระฉันจะยล่อยสัตว์เนี่ยปล่อยสัตว์เอาเอาบุญบางทีหอยมันอยู่ในน้ําไปจับมันมาหาพระเอาไปปล่อยบางทีอยู่บ้านโกโคกไปปล่อยสิแม่น้ําล็กน้อยมันตายสิด้วยนีให้มันอยู่ที่เก่ามันไม่ดีเดือดจับมันมาปล่อยทําไมมันอยู่แม่น้ําใหญ่ๆดีกว่าเราจะจับมันมาปล่อยนะ ถ้าจับมันมาปลอ่อยดี๋ยวก็ไปขออบุนกับมันอีกเ น, นี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันอันนี้ก็นึกขันเหมือนกันนะ <c oughs> นจะมาไปผบาทเป็นไนเขาปล่อยนกกันนะจับสิกลุงมาปล่อยนกปล่อยแล้วก็มันก็บินไปมนันหนังแกก็เอาอาหารเนี่ยมันกินมันก็มาจับมาขายอยู่อย่างนั้นแหละ น, นกฟุ้เก่กาวเลยขายตลอดเวลาขาย อ, อ, อสร้างบ้านสร้างเรือนนี่กันล่ะที่เกิดผวา อัตมากระโหมเขาไปในตรงนั้นอยันนึกพ่อซื้อนกขายจะมามาเก็เป็นพระแฝกเขาเหมือนกันนะไปยืนมองน้าบอว่าโยมใครจับมันมานี่เอามือขี้ใส่โกงนกใครจับมันมาดิโยมฉันนี่ป่ะอ้าใครจับมันมาคนนั่นก็ปล่อยมันที่ เนเรื่องอะไรนี่อยากจะเอาบุญกันนกนี่อยากไปเอาบุญอย่างนั้นไปจับมาในคนอื่นมาไอ้ควนมีจยิ่งอยากจะเอาสตางค์มาเลี้ยงแหละนี่เอาบุญนปลามันอยู่ในหนองนี้นี่แล้วไปจับมาปล่อยนี่ยมาสันได้ปล่อยปลาแล้ว ห อ, อยดีก็ไปจับมาปล่อยแตฉันได้ปล่อยห อ, อยแล้วอมันปล่อยอยู่เองพวกมันแล้วไปจับมันมาปล่อยทำไม <sk ill and psychological> บางทีเราเอาปล่อยใส่เมาน้ำนิดน้อยนะแรงมันมันแข็งเลงมันก็ตายเลยปล่อยไปไอ้เมน้ำใหญ่ๆมันดีมันพอเล้วอี้คนทําบุญนี้มันก็ยากนายกนี่คือหาเอาบุญ ไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้บุญนี้มันปลายเวทนะมันอยู่ที่หลังบาปให้นักในการในกรรทำบาปนั้นมากๆอยู่นั่นตัวสำคัญมันให้นักในการละบาปในทางคุทธาศาสานาท่านก็สอนนะสัพพาปัสตะอัจจ า, านัง กุรัสูปสัมปาสกิตะปิโยทปนังเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหวัวใจภาษาชนาะถ้าปปปะ ป, ะ, ปะสักาการณ์การไม่ทมากทั้งปวงนนเลิอแต่ตรงหวัวใจภาษาชนาเลยกุทรัสูปสัมปทา เมื่อไม่เบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วใจมันก็สบายสงบลงตอนนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วนะเมื่อจิตสงบแล้วมันค้นคว้าในตัวของมันเองมันก็มีปัญญาออกรูกว้ว่าดีชั่วกิดถูกบาปบุญมันรู้ขึ้นมามันก็เป็นปัญญาสามอย่างนี้เนะมันเป็นหัวใจพุทธศาสนาอืแต่แบบคนเราบางคนนะ บางทีก็อยากจะเอาบุ้นี่นี่ผ้ายังสบกระปกอยู่ยังไม่ทําสะอาดอยากจะย้อมสีซะแล้วสวยไหมลองเอาผ้าเช็ดเท้าหนึ่งี่ไปย้อมสีดีเนี่ยที่ยังไม่ฟอกมันจะกินสีไหม ย, ยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกแล้วนี่ยยิ่งสบกระปกจึงไปทาแป้งหน่อยดิไม่ต้องทำให้สะอาดมันจะสวยไหมนี่ น, นี่การ ก, าการะทําบาปเนี่ยอการไม่กระทาบาปเนี่ยมันเลิอด มันเลิศที่สุดอ้าการกระทําบุญหรือการเอาของให้คนนี้บางคนบางคราวนะโจรมันก็ให้ได้มันเกลียดคนได้แนะนำมาให้ให้ให้ทานก็ได้แต่ว่ามันที่ให้ทานเพียงไหนก็ไม่รู้แต่มันเอาของให้คนก็ได้แต่ว่าจะพยายามสอนนมันหยุด เป็นโจรนนะคือให้มีศีลห้าเนะี่ยโอ๊ยมันไม่เอาแล้วแนะ่มันยากไว้น่ะนะมันยากที่สุดตรงนั้นน่ะแน่มันยากที่สุดการหยการ้างความชั่วเนะีนะ่ยไม่กระทำความผิดแต่มันยากคนเรามันยากการกระทําบุญทุนทานนี่มันได้จับตูโจรมันก็ทําได้อืนะีนะ่ไม่เป็นปาเรีสมา การไม่กระทำบาปทั้งหลายตั้งพวงนั่นน่ะมันเป็นต้นเหตุ่ายากการละบาปอาชมาเี่ง่าปละบาปนั่นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นน่ะมันก็มีความสบายบ้างมีความทุกข์บ้างอยู่เป็นธรรมดามันถ้ามันเป็นถูกม้บุญองคอิชันเป็นอย่งางวุ่นถ้ามันทุกมาเออกรรมอะไรนนาะองคอิชันนเป็นอย่างนี้เนาะ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 เที่ยงเลยนียก็เอาขันก่อไปตักมาอีกใส่ทีหนึ่งสักเมื่อไรมันจะหมดไหมเอาออกขันหนึงเอาเข้าขันหนึ่งเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันนึงเต็มเมื่อไรมันหมดไหม น, นี่เรียกว่าเอาออกก็ออกเอาเข้าก็เข้ า, ขาทำบุญก็ทำทำบาปก็ทำมันก็อยู่อย่างนี้เอาออกไปนี่ก็ว่างไปอีก หายเต็มไปมันว่างเหราหายเต็มเรียกมา่ใส่มันก็เต็มอีกก็หายว่างอีกอย่นี้นถ้าหากว่าเราละบาปทาไงเอาขันขันนั่นนะมาตักน้ำในตุมม่มละทีก็ตัดครุบเทออกอีกนึทีที่สองก็ตัดพรุกเทออกเทออกเท่าเทเทเทเท่องทเทเทเทเะนทเนเทเทเทเทเทเหมดหมัเยทททท ไม่ต้องยกทั้งตุ่มเทแล้วเอาออกีละขันนท่นั้นแะแต่อย่าเอาเข้ามาเพิ่มอีกไม่นานน้ำหมดไม่มีเหลือนี่เนีว่ว่ะการละบาปเป็นอย่างนั้นมันหมดกรรมหมดเรียนไปอย่างนั้นทุกวันนี่พวกเรานั่นเนี่ยเอาออกขันหนึ่งเอาเข้ามาขันหนึ่งเรืออาเข้ามาสองก็ไม่รู้ <laughs>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 กระบวนการอกรรมวิชันอะไรนาะกรรมวิชันอะไรเนอะอีอ่มันก็กรรมที่เราทําขึ้นนั่นแรกแต่เราไม่รู้จกักรร ม, มันกรรมอืมมันกรรมจะทําไปเมื่ อ, อไรก็ไม่รู้มันมันทําอยู่นั้นกิ่ชาติหลังมันจะทําอย่างนี้เรื่อยมาบางทีเรามาพึ่งพึ่งตื่นเกิดชาตินี้ก็พึ่งแก้ไขบัญชาตินี้มันก็นานไปสักหน่อยหนึ่งเลยนี่ มันทำมามากอย่างนี้จะไปสงสัยมันติเราก็าจะไปทำอะไรกันมันก็นําบากบางคนก็หาอยู่หากินไม่เคยร่ำรวยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องบางคนจุนเร่งไปหาไอ้คนทรงอ่ะศูนย์เจ้าเข้าทรงไปดูดูฉันจะเป็นไฉันจะมีโชคั้ยฉันจะมีอะไรไหม ถ้ามันเอย่างนี้ไม่มีเคราะห์ฉันจะมีเคราะห์ไหมอะไรหมอ้าหรือเป็นบ้าไม่อยุดกันสทีหนึ่งด้วยอย่างนี้ตามไปอย่างนัะหมดคือคนไม่ไม่เห็นในตัวเองี่ไปเชื่อคนอื่นวันหนึ่งชาวอําเภอกันทารักษ์มาออกทําการลร้านค้าขายไม่ไม่ค่อยมีใครมาซื้อน้อยหกน้อยให เขาบอกลูกพ่อวัดหลวงปู่ผยอืมไปหาทันถึงว่ามันสบายเลยมาเมื่อวันทั้งวันเย่ยไม่ไปอยู่มันนั้นเลยมาพบยุติบนโบดถ์บอกมาว่าขอของดีของหลวงพ่อของดีอะไรออกร้านค้าขายอะไรไม่มีใครมาซื้อจะเอาหลวงพ่อไปขายด้วยหรือ อยากจะได้ของดีๆไปอะไรมันจะดีมันจะดีแก่กายวาจาของเจ้าของเนี่ยค่อยๆพูดดีเงินมันอยู่กับคนค่อยพูดไอ้คนจนคนรวยซ้าไหนเนีย่ยให้นู้จักผ่อนพันที่ทำไอ <c oughs> ้ของดีจะเอาไปในไว้ในบ้า น, นเนี่ไปวางไปมันขายดีๆจนชาวเมืองกันทรัก์ไม่ได้ขายเลยโยมขายคนเดียวจะสบายไหมโยมจะอยู่คนเดียวไรไหมเนี่ย ให้ก็มาซื้อในบ้านโยมทั้งนั้นแหละเด็เกนี่โยมก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็ยิ่งกว่าเนี๋ยวนี้ให้ค่อยๆช่วยกันขายไปเถอะแบนขายไปเถอะอย่าไปเอาคนเดียวเลยไปเอาคนเดียวม็แล้วเท่นา น, น, นั้นเองเดี๋ยวก็กมาปนเท่านั้นแหละมันจะอยู่สบายไหม <c oughs> ไปทําอะไรตัวอย่างนี้คนคนคิดจนเกินไปนะไม่ทันไม่ทันใจหรอก อยากจะให้มันไล่เดีย๋ยนี้โอ้ยอัตมาบอกจะค่อยทําไปเถอะมมันไม่โจร น, นอกโยมมันมีตามีแข้งมีขามีวัยวะทุกสิ่ ง, ท, งทุกส่วนเราพยายามเถอะปฏิบัติธรรมไปเถอะไม่โจรอัตมาเห็นคนไม่โจรมองเห็นต้องบอกว่าโจรก็ไม่เชื่ออัตมาเห็นเชืราใยคนหนึ่งคือไปเห็นด้วยตาเลยนั่งรถไปเดินไป ไปเห็นคนคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่ขาหนีขาดนี่แขนนี่ก็ขาดหมดเลยตาหมดยืนพิงต้นไม้อยู่เฉยเอออันนั้นทุกจริงมันจนเดินไม่ได้ทําม่ได้ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นนั่นเห็นคนวาอันนั้นเป็นมันเป็นจนจริมันทุกจริงอันนี้เราเนี่ยลืมไปถึงไหนถึงไหนก็ได้พูดอะไรอะไรก็ได้เดินไปถึงไหนก็ได้ยันจะทำอะไรก็ได้เนี่ย มันเสียแต่อย่างมันอยากรวยเกินไปมันพาทุกนั้นเนี่ยค่อยๆทาไปดิไอ้ของดีมันอยู่ที่ปากของเราเนี่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยกายวิจาของเรานี่อย่างนี้มันของดีอยู่ที่นี่จะไปหาของดียังไงได้มันไม่ได้แล้วต้องทําอย่างนั้นถึงผลที่สุดก็เลยไม่มีอะไรมื่วันนั้นเลยให้ชันหมากอันหนึ่งไปซ ะ, อะเอาอันนี้ละ อัาตมาก็ไม่มีวะไม่รู้จะอะไรมาเห็นมากก็กินมากเลยชันหมากเอาไว้ละดีก็ดีทําให้มันดีมันก็ดีเท่านั้นอ่ะเอาอะไรไปมันก็มีมันก็ทําไม่ดีเอาฉันหมากไปเท่านี้มันก็ดีรักษามันจะดีเนี่ยถ้าทำให้มันดีเนียถ้าทําให้มันไม่ดีมันต้องดีไม่ได้เท่านั้นแหละจะทํายังไงนี่เนี่ยว่าทำดีมันเลยดีทําชั่วมันก็ได้ชั่ว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 อยากเห็มันโต ว, วันโตอื่นขึ้นไอ้หน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเรานั่นก็ต้องเอาต้นไม้มาปลูกเอาน้ําไปรดก็เป็นหน้าที่ของเราเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นหน้าที่ของเร า, ารักษาแมะงก็เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทําอะไรอื่นออันนั้นไม่ยังงานเดีอีก ตอนเช้าตอนเย็นไปจืนต้นไม้เม่มันนานตัวหรือเออ น, น้อนะเมื่ไรมันจะได้กินเนาะได้ยิ่งปลูกมะพร้าวท่านน่ะปลูกไปทําไมมันขี้เกียจโอ้นั่นคิดไปมันหลายปีอ้าวตายก่อนจะได้กินนื้นะาคิดไปคิดมาไอ้ต้นมบนต้นงามเนาะไปคิดเอาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนปลูกต้นไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ หน้าที่ของเราให้หน้า ม, มันไป ร, ไรักษาแมลงไหมอย่างไรให้ปุ๋ยมันไปเท่านี้ตะกลายไปทําหน้าที่ของต้นไม้ก็ทุกข์เลยทีดีไม่ดีมันนานโตอะไรกันดินตรงนี้มันไม่ค่อยจะมีปุ๋ย ด, ด, ดีที่มั่นเนี่ยถอนไปปลูกที่นั่นดีกว่าถอนไปอีกถ <laughs> อนเป็นลากมันก็าขาดไปอีกแล้วนะเอาไปปลูกตรงนี้งาวย น, น่นแล้วอไม่โตสักทีอีกแล้วเอ้า นานไปลันมาก็มันนานโตแล้วหรือตรงนี้มันดินไม่ดีหรืถอนที่กลูกพนันหยีเลยตายเลย่ไม่ไดจริงไหนี่ไอจิตใจของคนมันเป็นยังไนเนี่ยค่อยๆทําค่อยๆไปเราไม่รู้จักหน้าที่ของเจ้าของหน้าที่ของต้นไม้ <c oughs> ไอมันจะล่ามันจะรวยเนี่ยเราทําดีไปเทอะเป็นพื้นแบบนไปนั่นแหละ ทำดีไปเป็นพื้นขยันไปเธอเป็นพื้นอย่าไปทิ้งมันใครว่าอยังไงก็อย่าไปอะไรมันทําหน้าที่คนเราไปเรื่อยมันจะมีมันก็มีมาเองมันจะเป็นมันก็เป็นมาเองมันจะอะไรมันก็เป็นอะไรมาเองบองมันพนันแหละเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้แบบมีหยุดดทําทํางานโดยมีสติปลูกต้นไม้ดูที่ว่ามันไม่มีทุกทํางานโดยที่ว่าต้องไม่ต้องทุก ทำเพื่อการทำดูไปดูหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องรู้จักอย่างนั้นนี่นี่เอาแต่สุกอย่างเดียวสุกอย่างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเอาดีอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอามันทำแต่ดิทีคูณทั้งนั้นนี่เว้ยวิธีรบมันไม่รู้จากคุณเมเดียนนวิธีหารมันก็ไม่ทำเนี่ย <c oughs> มันจะไม่มีวิธีบวกก็วิธีคูนไม่จะมีวิธีใส่เลยล่ะต้องมาหมดทั้งนั้นไง <c oughs> ไม่ไม่พอใจเราไม่สวมใจแล้วก็มองข้ามรั้วไปหาคนอื่นเท่านั้นเนี <c> ่ <oughs> ไปหาหลังแก่คนอื่นครับ <c oughs> นี่ก็ออกเท่า น, นเนี่ยหาเรื่องต่างๆนี่นหยิบช้าได้พยาบาทเจ้าพระยางเพราะผมไม่รู้เรื่องาะนี่อีกนี่ฉะนั้นจริงไม่บอกว่าวันนี้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอย่าให้รู้จับตีเราทําอะไรอยู่เดี๋ยนี่ จะทำอะไรไมั้ยิดหรือถูกี่ถ้าผิดเลิกสิดถ้าถูกพยายามขยันนั่นเองแก้จะของนี่นอืมนะอันนี้คนไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันร่วงไปทำไมจะว่ามันร่วงไปถ้ามันร่วงไปเราจะยืนตัวอย่างนี้ได้ไหยคีดแต่มันก็ร่วงไปร่วงไปนะ